ทราบเลยราตกเลยแปดก็ยี่สิบวันแล้วนับสิแปดละสี่วันนับไปจะกอายุสามสิบเก้าปีนะครับที่แปดวันสามสิบวันชัลูแหละมตกอะไรด้วยอะไรวันนี้จะเที่ยวสาว้ได้ป่ะอันนี้ยี่สิบวันชนี้สิบวันไล่มาที่ไหนยังไงก็ไล่ไปจนอายุปัจจุบันน่ะหายว่าเขายาวไปกี่หาเดือนแล้วล่ะกี่วันแล้วล่ะ ตอนนี้เก็เก้าเจ็ดเจองาตกล รวมมันใช้ประจังงนรา4วันวั น, ว น, วนแล้วก็ตรงกลางนีก็นี่ก็กประ3ั4วันนี่สมมตินะ40เราก็รู้ว่าในช่วงเวลาที่4วันเนี่ยเป็นอะไระแต่เท้ า, าง่ายตอันนี้มันน่าจะเยอะ น้องเราดิบอกเขา้ทาไงอะขึ้นเมราเออว่าเคเรียนข้ามเราขึ้นแรมีข้ามมัาอืมกวาไปนับจากเลขอ่ะเลขไหนนับจากอะไรอ่าลอันสามอันนี้เลขสามจเป็นบริวารใช่ปะบริวารอันนี้เลขเปคืออายุก็นับจากอ่อายุไปตอนนี้อ ก็ก็รู้แหละท้าผมมปนั่นน่ะเล็กหนึ่งกี่วันก็นับแต่ก็รู้เลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ห้าสิบ้าสิบห้าสิบเล็กหนึ่งอ๋อนี่อนี่ท่าลงไปเลยใช่ก็เป็นท่าไปเลยท่าสิบวันตอนนี้ท่าลงไปเราจะเห็นว่าไอ้เล็กน่กี่วันอยู่กี่วันเรื่องอไงต่อและตัวอื่นอ่ะ ก็ต่อไปดิตุกเล็6ก็26วันแล้ว ต, ต่อไปดิตอนนี้กี่ย่างกีก่วันแล้วล่ะอายุทนเท่าไหร่32 32 30ปีกี่วันอะเออรวมไปที่อา้าว30 <5 S 1> กับ48อา่า30กับ58วันแล้วอา่า59วันแล้ววันปีนี้มี29วัน31อา่ากับ29วันเท่าไหร่น่ะ เป็นหกสิบวันวผมบัลกลาไปเดือนที่เกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวที่อ น, นับวันเลย 30, อ่ะสามสิสามสามสิบกาก็สามเอ็ดหนึ่งวันหนึ่งวันก็เป็นสามสิบวันนะเนี่ยเขเป็นสาสบวันของเดื อ, อนพฤษภาคมนะตอนนี้ตอนนี้ <20 S 1> ก็เป็นกิบเดือนอะไรแล้วล่ะมีนาอีกยี่สิบสองวันก็รวมทั้งหมดเท่าไหร่ห้าส <5, 2. S 1> ิบสองอาให้สก็ไปหักที่มันอยู่ในดาวอะไรนะเพราะฉะนั้นเองก็จะรู้แล้วแต่ละช่วงแต่ลช่วงนี่เราก็อยู่ในช่วงของดาวอะไร ห้า <5 S 2> ี่าที่หวันห้าสิบวันห้าสิบกวันสิบสไม่ใช่ท่านอยู่ราวอาทิตย์อาทิตย์กี่วันล่ะครับอาทิตย์ห้าสิบวันห้าสิบวันมันอยู่ในช่วงที่ท่านต ก, กเปล่าละ่ะท่านกี่วันแล้วลนะ่ะสามสปีี่วันน่ะในตุาสิบวันยังอะไรเกิดขึ้นอเ่าออนะ้ดูนดูดาวอาทิตย<า>์เราดิ ก็ไปเออก็เกิดมาวันเกิดอายุต่อไหร่แล้วล่ะสามสิบกี่วันสามสิเต็มอ่สาสิบเต็มก็ไปกี่วันก็นับตามดาวเดินน่ะะห้าสิบวันนี่นะค้องตนี้ก็ภาพลงไปเ่หาเป็นก็เป็นห้าสิบวันใช่ไหมเออนั่นะในห้าสิบวันน่ะดูที่อาทิตย์เนี่ยของเราเนี่ย มันเป็นอะไรเอเอมันเป็นอะไรระด่ะอาทิตย์ระดัแสดงเอะไรของในข้างแรมวัเสือของเราเหรอเออน่าดูที่มันไปทิตย์เป็นอะไรเด็กเป็นเด็กน่นหนัะท่านถึงดังไงเห็นไหอยังก็แค่นี้เองไม่ยากอะไรเราก็รู้ตรงไหนจะตกตีงไหนขึ้นเห็นนหมยังเอออ๋ออะไรอ่ะเข้าใจยังท่านถึงทำอะไรัก็ดังไปหมดไงผมไม่รู้ผมนึกต้องมเล่นตัวนี่จริงเนี่ยมันเรียนก่อนนะเนี่ยที่จริงเนี่ยมันอยู่หวสอง ทำไมไงผมอยากรู้ว่าทำไมที่มันมาเรียนก่อนเอากาไรนี่ว่าเนี่ยเขาเรียนมาตั้งสามชุดแล้วเนี่ยแล้วไงต่ออาจารย์พออาจารย์พุ่นต้องเรียกอาจารย์ป๋อละอาจารย์ปอเอออาจารย์ปออาจารย์เล่าว่า่ออะรอะอพอนอนเรห้าสวันแล้วปนไงอ้าวก็ต่อไปดิก็ดาวมันมีต่อให้นับลำนับยังไงไปถึงสามสิบได้ล่ะก็นับแบบเดียวกันน่ะ มันก็เข้าไปถึงดาวอะไรล่ะต่อจากนั้นอ่ะก็นับไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งครบปีอ่ะแม่มันสามร้อยปีสามร้สิบห้าวันตอนนี้อยู่ในช่วงดาวอะไรล่ะดาวอาทิตย์ใช่มแล้วต่อจาดาวที่ยเป็นดาวอะไรสุกสุกโอ้โหตอนนี้ระวังเกี่ยวระวังเกี่ยวอาจจะเนี่ยเนี่ยไอ้ดวงดาวสุกเนี่ยอาจจะสึกได้นะทำมันได้เงินนะเลือกเอาลรกเนี่ยเงินหรือหรือตัณหา ก็ไม่รู้เราจะมาทั้งคู่นะเนี่ยแล้วตอนนี้เงินทั้งนั้นเลยเนี่ยอ้านี่ไงก็ดูตอนนี้เราก็ไปดูอีกว่าตอนที่ดังเกิดขึ้นแลมอ่ะไอ้อสุปก็เป็นอะไรอ่ะเป็นบริวารหรือเป็นเดชหรือเป็นสีโอ้โหนี่ไงอ้านี่ไงก็วิธีการดูมันจะตกกับขึ้นมา่อไหร่อย่าก็ตาเห็นเลยไงถึงบอกเนี่ยยี่สิบหวันอ้าวเแค่อ้าวก็นั่นหลในยี่สิบหกวันน่ะจะมีกรอบป่วยแล้วก็ป่วยซะเพราะว่ามันขึ้นตลอดเนี่ยมันมีขึ้นมีมาอ้ามาไง กระจายัอยางอไงแล้วตอนนี้นนเราไปจับเสาในวันแต่ละวันเนี่ยก็ยังมีซอยลงไปอีกใช่ไหมล่ะ ว, ว่าไอ้ที่เราว่าขึ้นน่ะมันได้มากหรือได้น้อยก็ไม่ดูดาวศุกร์ไปอยู่ทุกคขังถึงจะได้ก็โอ้โหมันก็ฝืนกันไว้ในวันนั้นหรือเวลานั้นใช่ไ้มล่ะแต่ถ้าดาวเราขึ้นดาวศุกร์เราขึ้นเรื่องไรกูจะเอาศุกร์ไปอยู่ทุกคขังอะ่ะอยู่ว่าดูสิตังลูกเดียวโดนลูกเดียววางเลิกแต่วันนี้ไปวางเลิกถึงทีสองอยเงี้ยใครที่มาให้อะเ่ะอืเนี่ยเงี่ย เนี่ยตอนนี้ไม่เราสงสัยว่าทำไมถึงดังมันถูกบังคับด้กรรมอยู่แล้วว่ามันต้องดังเห็นหรือยังพอเข้า30มันดังเลยอ่ะเห็นหรือยั ง, อ, ยงอ่ะเข้าใจยังเออเอาสิอเออข้อีเ ม, ม, มวบอกข้อแมวทำดูวออ่าผมไอ้ยังงี้แหละผมก็ไม่รู้เขาเรียกตารางดาวเดินนี่<ร>ละกรรมเรื่อจริงแล้วเรื่องกรร ม, มวิถีเขาบอก จาวันเกิดกอนหน้าวันเกิดอะไรกี่วันกี่วันเนอรอนั้นจะเป็นอะไรเนี่ยจะบอกะเป็นอ่านั้นุท่นทท า, านี้นมไม่ได้ตอนมีกา ร, รอบอกหลังจากท่านหลังจากวังเกิดท่านไม่ต้องอยู่วันนะออกมามาเรียนนี่แหละอะไรเี่ว่าจะรู้ว่าแล้วท่านจะเป็นจิ่งต่านั่นนละ ไม่มีแววรล้ลดูตัวเองก็ไม่มีแววด้วยวม ไ, ม ไ, ไม่ได้มาที่นี้เลยจริงๆผมไม่ได้ที่นี้เลยอตอนนี้เอาละเมื่อท่านอสอนวิธีการนับแล้วตอนนี้ถึงเวลาท่านจะต้องสอนท่านป้อมแล้วท่านปอมบอกว่าลืมไปแล้วอตักทูบอะเอา้าบายครับฟังเขาไม่รู้เรื่องเอาเล่าให้ฟังหน่อยีิเอา้า <Hey. S 1> มันเป็นยังไงอาจารยตัวว่าอะไม่ใช่ให้ให้นี่เขาเขารู้อะไรบ้างเอเอออ เขาไ ป, ปักพุ่มแล้วล่ะตอนนี้ท่านจำอะไรได้บ้างเรอวิธีปักฝักพุ่มที่ผูสอนเนี่ยะทวนมาสิก็จะได้เสริมตรงที่ไม่ได้แล้วเขาไปสบปาะกาไปแล้วเรองอนะไเ อ, าเอ่าเออว่าไปนะจะาจำไม่ได้จริงอาจารย์ที่มีประสบการณ์เขายังไม่ไทำใครเลยยางเลเพราะว่าที่ไป